มีต้อนรับบุคคลผู้ใจสูงทำสูงอยู่แต่ทำเหล่านั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะต้อนรับใครแต่เป็นของมีอยู่เรียกว่าคอวัดปฏิบัติปัญญาวัดปัญญาวัดมัคคะปัญญาวัดสติวัดปัญญาวัดสมาธิวัดศีลวัด ปฏิปทาวัดนายโคบาลต้อนโคเข่าพ่อประจําวันแกเก็บตายก็ต้อนสัตว์เข้าพ่ สังขารต้อนสังขารเข่าคอกทำฝ่ายสังขารต้อนทำฝ่ายสังขารเข่าคอกคอกอะไรคอกอนิจจังคอกอะไรคอกทุกขังคอกอะไรคอกอนัตตาคอกอะไรคอก คอกดินคอกน้ำคอกไฟคอกลมดินน้ำไฟลมรวนรวนก็เป็นทั้งขาลุนล้ว น, วนดินน้ำไฟลมที่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ไม่รู้จะปล่อยไม่รู้จักวางกรมไม่วางจับไม่วางผูกไม่วางเรื่องฝ่ายของกิเลสของสัตว์ทางห้ายูมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในโลกดินมามาท่องเที่ยวในโลกน้ามาท่องเที่ยวในโลกไฟมาท่องเที่ยวในโล ก, กลม มาท่องเที่ยวในปัญหาของตนมาท่องเที่ยวในความหลงของตนมาท่องเที่ยวในความเคยชินของตนไม่รู้หนทางที่จะออกเพราะว่าคือว่าพออยู่พอกินพอไปพอมาพอใช้พอสอย เลยกลายเป็นขุนเชื่องขุนเชื่องไปในกองทุกข์ขุนเชื่องมีอยู่สองขุนเชื่องขุนเชื่องหาทางออกจากกองทุกข์ขุนเชื่องจนลืมตัวไม่ต้องการออกแล้ววันนั้นวันนี้ไป แล้วปีนั้นปีนี้ไปศีลศีลอาแปลว่าศีล ตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติของกายวายาสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นอยู่ในเป้าที่เพ่งไว้ปัญญาแปลว่ารอบรูดทั้งศีลด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยทั้งทั้งสังขารใดๆด้วยทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สังขารด้วย ทั้งสิ่งที่มีวิญญาณของสิงด้วยทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของสิงด้วยมีคุณขนาดไหนไม่โทษขนาดไหนเป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะรู้อีก เรียฟันน้ำเนื้อเองกระดุใครๆก็รู้ตามสัญญาทุกคนแต่ว่ารู้เพื่อเบื่อเพื่อนายเพื่อคลายเพื่อรุดเพื่อพ้นมันเป็นรู้อีกชนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่รู้ตามสัญญารู้ตามความเป็นจริงกินตามมัยะปัญญา และภาวนามะยตปัญญ า, านึกคิดพิดจารณาเหตุผลโลกทั้งหลายก็แย่งดินกันโลกทั้งหลายก็แย่งน้ากันโลกทั้งหลายก็แย่งไฟกันโลกทั้งหลายก็แย่งลมกัน ผู้ที่มีวิญญาณของสิงผู้ที่มีเกตนาแต่บรรดาท่านพวกบอกไปแล้วก็ไม่นับเข้าในจำพวกนี้แย่งขี้กันแย่งเยี่ยวกันเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุที่ยังหลงขี้หลงเยี่ยว ผมเช่นเดียวถ้าไปหลงผมก็หลงหม ด, หมดถ้ารู้ตามันจริงของผมก็รู้ตามันจริงหมดขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเนื้อก็เหมือนกันกระดูกก็เหมือนกัน เยื้อในกระดูกก็เหมือนกันม้ามก็เหมือนกันตับก็เหมือนกันปอดก็เหมือนกันถ้าไม่หลงอันหนึ่งก็ไม่หลงถ้าสำคัญว่าอันหนึ่งสวยอันหนึ่งก็ต้องสวยหมดถ้าสำคัญว่าอันหนึ่งปฏิกูลอันหนึ่งก็ต้องสิ่งทั้งหลายก็ปฏิกูลหมดถ้าสำคัญว่าเป็นของเที่ยงสิ่งทั้งหลายก็เป็นตีความหมายว่าเที่ยงหมด ถ้าสำคัญว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดายังยินชีสมุตย์ธรรมังสัพพันดังในนวธาธรรมมันติสิงได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับสูญไปเป็นธรรมดาในฝ่ายอนิจจังถ้าลูกอันหนึ่งก็ลูกไปหมดสิ่งที่มีวิญญาณของสิงแล้วมีของสิงกวงกันกันที่สังขารปรุงแต่แงแทรกซ้อนขึ้น พระดาบันพระจักรทาคามีพระอนาคามีแย่งกันไปทางหลุดทางพน้นส่งเสริมกันไปในทางหลุดทางพน้นพวกสัดทางหลายพวกที่เป็นโลกีส่งเสริมกันไปในทางโลก ส่งเสริมกับไปในทางกิเลสส่งเสริมกับไปในทางหลงเรื่องขับสีตีเป่าตลอดถึงนวหาและศพต่างๆเรียกว่าส่งเสริมไปทางหลง สินหศาสิ น, 8, สนีตลอดถึงคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิตลอดถึงเหตุที่มะปัญญาคือปัญญาชัดตจ่าที่พิจารณาทุกครั้งอนิจจงอนัตตามาชัชฌมะปัญญาปัญญาที่เห็นอนิจจงทุกครั้งอนัตตาชัดแล้ว อุปนิมะปัญญาปัญญาที่ถอนความหลงของตนคืนหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมยุยงไปในทางหลุดทางพน้นไม่เหมือนโลกิยะโลกิยะส่งเสริมกันไปในทางหลงพ่อคูนหลง ้ทเยทะยานในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหวัวใจโลกุตระพภพสวัสดาวันักทาคาเยนาคามีอรหันไม่ใช่วัตถุนิยมดอกหรือไม่อาศัยดอกหรือก็อาศัยอยู่แต่ว่าไม่ลืมตนจนเหลืองจิ้ง เหมือนพวกโลกียะพระหานี่ไม่มีละลาบในทางพระพุทธศ า, ศาสนาพระโสดาบันเป็นโลกุตละลาบ เป็นโลกุตระยศเป็นโลกุตระสรรเสริญเป็นโลกุตระสุขคือสุขทางใจสุขรู้จากหนทางสุขละกิเลสได้เป็นตอนตอนพ้นจากความหลงไปเป็นตอนตอนแล้วก็ทาคามียนาคามีก็เหมือนกัน ตามกว่านั้นลงมาโลกิยะลาวโลกิยา ย, ยดสุขอิงอามิ t h ไม่ใช่สุขอิณิคกมมะพระสวสดาวันเป็นสุขอิณิคกมมะรัตถาค า, ามเมนาคามมอันหันก็นเหมือนกัน ไปเป็นลำดับสุขของพวกโลกีพระวรมศาสดาวันหััดเล็กน้อยแต่ไม่วัญหัติยั่งยืนสุขของกระหัดมีอยู่สี่อย่างสุขกระแต่ความมีทรัพย์ สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคไม่ฝืดเครื่องไม่ฟูมฟายสุขแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินสุขเพราะทำการงานที่ปฏิจจากโทษมีค่าสัตว์รักทรัพย์เอาพิษในการเป็นต้นที่เรียกว่าส ม, มา ก, กำมันโต แต่ก็ขัดขาดวิ่นวนเพราะไม่ใช่โลกุตระสุขในโลกีเกิดดับเป็นลาบในโลกุตระไม่ได้เกิดดับเป็นลาบพระโสดาบันลาบสักธาคามีลาบอนาคามีลาบพระหันยศกล ม, มอนกัน สรรเสริญก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนใดสรรเสริญในโลกพระธรรมก็สรรเสริญให้เพราะทำดีได้ดีผลของการได้ดีเรียกว่าสรรเสริญ สมาหก็แบ่งออกเป็นสองราบที่เป็นฝ่ายวัตถุไม่สำคัญราบด้านจิตด้านใจที่เห็นธรรมที่ประพฤติธรรมที่ไม่สงสัยในธรรมอันนั้นเป็นราบที่ไม่เสื่อมยศก็เหมือนกันทำไมถึงวายศ ก็พราะจิตใจสูงขึ้นจากระดับเดิมเรียกวายศใบตะพืดตะพือพระโสดาบันจิตใจสูงจากระดับเดิมไปเป็นลำดับเรียกวายศใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่มีอยู่ในตัวอย่างลึกๆ ใครจะเคารพนับถือหรือไม่เคารพนับถือก็าตามก็เรียกว่ามียศก็เรียกว่ามีลาภใครจะสนรเสริญหรือไม่สนรเสริญก็าตามถ้าทําหากสรรเสริญเองผลของการที่เป็นโลอุตระสนรเสริญเอง จิตใจถ้าไม่สนใจในธรรมก็ไม่มีความหมายอะไรในเรื่องของ จ, จิตใจและ จ, จิตใจก็ไม่มีหนทางที่จะสูงขึ้นร่างกายนับวันแก่เก็บตาย จิดใจก็ต้องนับวันสูงขึ้นจากความล้มของตนนับวันสิ้นความสงสัยในโลกทั้งปวงนับวันแตกฉานในอัดในธรมเฉพาะส่วนตัว การพิจารณาทมไม่ถือว่าเป็นของยากและไม่ถือว่าเป็นของหนักถือว่าเป็นงานสำคัญ ชีวิตของผู้ถือว่าพุทธศาสนาเพื่อหวังหลุดหวังพ้นในวัฏสงสาร วิชาพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาแก้โลกวิชาพิจารณาตามเป็นจริงของโลกแต่ก็เป็นวิชาแก้โลกเพราะคิตใจเราเป็นโลก จะแก้จิตแก้ใจให้เป็นธรรมให้เป็นโลกุตละธรรมโลกียธรรมนั้นใครไปสอบมันก็ไม่ตกเพราะแตกฉานกันมาแล้ว ที่ทำนาก็แตกฉานในทางนาผู้ที่ทำสวนก็แตกฉานในทางสวนผู้ขายของก็แตกฉานในขายของผู้ทำรถยนต์กลไกเป็นก็แตกฉานในรถยนต์กลไกผู้วิทยาศาสตร์ก็แตกฉานในวิทยาศาสตร์พวกปริญญาก็แตกฉานในปริญญา แปริญญาในทางพุทธศาสนาญาตะประิญญากําหนดรูด้วยการรูญาตะประิญญากําหนดรูด้วยการรูร่วงเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ความนิย o c c พัดผ้าเป็นทุกข์ ีแล้วเนี่ยปริญญากำหนดด้วยการพิเจรนาเมื่อพิเจรนายิงยิ่งปหารปริญญาก็เว้นในสิ่งที่ควรเว้นปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ แต่ปริญญาสามในทางพุทธศาสนาท่านจัดเข้าในอริย ส, รรสัจสีปหารปริญญากำหนดด้วยการละเสียหมายถึงพระโสดาบันสัคทาคามีอนาคามีอรหันต์ยาตปริญญากำหนด ร, รู้ด้วยการรู้ก็เหมือนกันหมายถึงพระโสดาบันสัคทาคามีอนาคามีอรหันต์ แต่หมอยปเป็นชั้นๆแต่พระนหันจบปริญญาทั้งสามยาตะปริญญาก็จบอยู่ตีนะน่ะปริญญาก็จบปหาณปริญญาก็จบพระโสดาบันทั้งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วย ท า, ามีอนาคามีกลุ่มเหมือนกันแต่ยิ่งหยอดกว่ากันตามชั้นของปัญญาที่เห็นที่รู้ที่ปฏิบัติปริญญาในทางโลกทีนี้ปริญญาโทรปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอง แต่ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาก็พาให้ห้ามหันกิเลสได้เหมือนกัน ีท่พึ่พุทธธรรมสงไม่ใช่โลกเป็นโลกุตระคุณเป็นมหาอนันตคุณเราขอถึงซึ่งพุทธธรรมสงใครก็ว่าเหมือนกันและความแยบคายพิดกันอีก แต่ละรายของบุคคลความเห็นชัดความศรัทธาชัดศรัทธาไม่ถอยหลังหรือศรัทธาซอยหลังหรือศรัทธาทำเพื่อ กรรมตัวเห็นชาวโลกเขาทำก็ทำเห็นชาวโลกเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถึงแต่ไม่แ ย, ยบใคยในตนก็เป็นตามกรรมและผลของกรรมของแต่ละลายบุคคล จะตีเสมือภาคกันก็ไม่ได้อีกเพราะอินทรียังไม่แก่ก้าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อในพระคุณพระธรรมพระสงฆ์วิริยะเป็นใหญ่ในความเพียรในทางที่ชอบ เพียรระวังม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรภาวนาให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อมความเพียรในทางพุทธศาสนาเพราะเป็นใหญ่ในความเพียรเรียกว่าอินทรียวิริยินทรีเสติินทรีเป็นใหญ่ในเครื่องแะลึกได้ หรือมีสติอยู่ทุกลมให้ไกเข้าออกก็เรียกว่าสตินสีหรือมีสติยืนเดินนั่งนอนกลับไปกลับมาก็เรียกว่าสตินสีสมาธินสีเป็นใหญ่ในการยึดหน่วงอารมณ์อันเดียวไหว ในกรรมฐานที่ตนตั้งสัจทิศฐานเพ่งอยู่ชานังเรียกว่าเพ่งอยู่สมาธิแปลว่าตั้งมั่นอยู่ที่นี่ปัญญีสีเป็นใหญ่ในทางปัญญารอบดูทั้งเบื้องต้นด้วย ทั้งสัถินวิญยินสตินสมาธินด้วยบัญยินรอบรู้ทั้งสัจชาความเชื่อรอบรู้ทั้งวิริยะความเพียรรอบรู้ทั้งสติรอบรู้ทั้งสมาธิรอบรู้ทั้งปัญญาเป็นอนเนกปริยายรอบซุรอบรู้ในใสฉังขาน รอบดูในสิ่งที่ไม่ใช่สังขารสิ่งที่เป็นใหญ่ในกิจของตนก็ความเชื่อความเพียรสติสมาธิปัญญาท่านเรียกว่าพระ คือทำเป็นกําลัง5อย่างศรัทธาความเชื่อวิิยะความเพียรสติความลึลกได้สมาธิความตั้งแกมั่นปัญญาความรับรู้อินซีห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตน ก็ไม่อดแต่ธรรมะถ้าจะว่าธรรมะก็เป็นก้อนธรรมะหมดที่นั่งหุ้มอยู่ถ้าจะว่าเป็นโลกก็เป็นโลกหมดถ้าพิจารณาในนังหุ้มอยู่โดยรอบส่งเสริมกิเลสก็เป็นโลกไปหมด เป็นเครื่องถ่ายถอนหรือเป็นเครื่องบรรเทากิเลสก็กลายเป็นธรรมะเป็นกลายเป็นมรกลายเป็นโอพนั่ยโกน้อมถือถูกถน้อมไปในทางโลกน้อมไปทางเพลินทางสวยทางงามทางกีรังยั่งยืนก็กลายเป็นโลก กลายเป็นอาหารของกิเลสถ้าน้อมตามเป็นจริงมาในสกลละกายเป็นของป่วยเน่าเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมไปชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ใต้อำนาจนิจังทุกครั้งอาณาจารก็เรียกว่าป้อนอาหารของ หุทางเพื่อจะพ้นทุกส่งเสริมไปในทางที่ถูกถ้าน้อมไปทางผิดก็ส่งเสริมไปในทางผิดกรรมฐ า, านอันเดียวน้อมไปคนละทางคนหนึ่งน้อมเป็นเครื่องออกคนหนึ่งน้อมเป็นเครื่องติดติดอยู่คาสอนแต่ละบทละบากดก็น้อมพิดกัน คนหนึ่งนอกไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งนอมไปอย่างหนึ่งเพราะอำนาจของกิเลสและความหลงไม่ไม่อยู่ระดับเดียวกันอำนาจกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ในระดับเดียวกัน อุบายใดเป็นอุบายเห็นโทษในความเกิดเห็นโทษในความแกะเห็นโทษในความเก็บเห็นโทษในความตายเห็นโทษในความวิโยค พ, พัาผเห็นโทษในความหลงของตนอุบายนั่นเป็นเครื่องออกจากวัตฏทองสาร ธาตุดินก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำก็อาศัยธาตุน้ำธาตุไฟก็อาศัยธาตุไฟธาตุลมก็อาศัยธาตุลมในฝ่ายรูปขันในฝ่ายนามขันเวทนาความเสวยอารมณ์ สุขทุกขผู้เบีขต่างก็อาศัยกันสัญญาความจําก็อาศัยความจําสังขานความตรงแต่งก็อาศัยความตรงแต่งวิญญาณที่รู้ทางต่างตาต่างก็อาศัยกันเป็นไวยพธของกันสิ่งทั้งหลาย ย่อมอยู่ใต้อำนาจทุกอีกย่อมอยู่ใต้อำนาจอนิจจังอีกย่อมเป็นสภาวะธรรมอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครดินน้ำไฟลมก็ดีเณธนาสัญญาสังขารเวิยนญาณก็ดี ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นที่นี่ด้านคีลีมายึดมาถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อสมประสงค์ก็ติดอยู่เมื่อไม่สมประสงค์ก็เดือดร้อน โลกยีดเยียดด้วยสังขารสังขารต่างก็อาศัยกันทีนี่สังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองก็ดีต่างก็ไม่มีอันใดกิริย่งยืนแต่ก็อาศัยกัน ม่วนลงหาแตกสลายเหมือนกันหมดกิเลสก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งแต่เป็นสังขารที่เป็นพิษถ้าไม่มีกิเลสสังขารก็อยู่ตามธรรมชาติ ดินน้ำไฟลมทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อมีผู้ไปยึดถือเอาเขามาเป็นเจ้าของโดยไม่รู้จักปล่อยจักวางเขาก็ไม่รู้อีหนูอีหนีอะไรเขาก็ไม่เข้าใจว่าข้าวไปเจ้าเป็นดินข้าวไปเจ้าเป็นน้ำข้าวไปแก้าเป็นไฟข้าไป้าเป็นลม ข้าวใแก้วจะเป็นของท่านเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายก็ย่อมมายืนยันด้วยย่อมมาปัดด้วยพวกที่ยืนยันเอาเป็นของตนโดยจริงจริเ ก, ก, ก่งๆก็คือกิเลส กิเลสกับโมหะมีความหมายอันเดียวกันกิเลสมาจากไหนโมหะมาจากไหนก็มาจากคันธะสั้นดานของสัตว์ผู้ยังไม่พน้นผู้ยังตามกิเลสยังไม่ทันเหยียบเล็บกิเลสยังไม่ทันยังไม่ทันชนะกิเลสหรือยังไม่ทันชนะความหลง จำเป็นก็ต้องหลงอยู่เมื่อชนะความหลงแล้วกิเลสก็ไม่มีดินก็เป็นดินตามเดิมตามสมมุติน้มก็เป็นน้ำตามสมมุติแต่ดินน้มไฟลม หรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ยืนยันว่าจะเป็นสมบัติของผู้ดใดไม่ยืนยันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเจ้าเป็นจอมจะด้านความหลงไปสมัครเป็นเจ้าเป็นจอมต่างหาก ว่าเกิดขึ้นและแปรป่วนและแตกสลายหากเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่นึกว่าจะทำลายผู้ใดสังขารทำไม่ยืนยันว่าจะทำลายผู้ใดไม่ยืนยันว่าเราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมประสงค์ สังขานรมก็มายืนยันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นที่นี่ฝ่ายโมหะความหลงมายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนปั้นน้าให้เป็นตั ว, ตวก็เป็นไปไม่ได้ถึงจะเป็นไปไม่ได้สักเพียงไหนก็ฝืนกันอยู่ เพราะความหลงผาฝืนเพราะมันดองสันดานทีนี้ความหลงจะแตกกระเจิงไปหรือจะเบาบางไปก็นุ่งด้วยสติปัญญาที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญา ถ้าสินสมาธิปัญญาแข็งหรือติดต่ออยู่โลกโกฎหลงก็ไม่แสดงปฏิหารมากถ้าหากว่าชินสมาธิปัญญาด้อยลงโลกโกดหลงในคันธัสดานก็แสดงปฏิหารมาก ถ้าหากว่าชินสมาธิปัญญาเต็มบริบูรณ์โรคโกหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในคันธะสันดานเพราะรู้เท่ารู้ทันรู้เทียมรู้ถึงหมดกิเลสความหลง มันไม่นึกว่าจะเป็นยากเป็นมิดกับใครเลยไข่กับสนิมมันไม่นึกว่าจะเป็นยากเป็นมิดกับเหล็กแต่มันอาศัยเหล็กอยู่ถ้ามีเหล็กก็ต้องมีสนิมแต่เหล็กแอนปะปกค้าหรือเหล็กสแตนเลสไม่มีสนิม เรียบเหมือนจิตใจของท่านผู้คนไปแล้วไม่มีกิเลสปัญหาฉะไหนมันจึงมีมากก็เพราะความหลงในคันธะสันดานมีมากปัญหาก็ต้องมีมาก ถ้าโลกโกรธหลงในคันธันดานไม่มีมากปัญหาก็ไม่มากพระโสดาบันพระสกทาคามีมีปัญหาน่อยไปเป็นลำดับพระอรหันต์หมดปัญหาแล้วปัญหาเกิดขึ้นในคันธันดานของตน ถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะปัญหาก็ไม่มีถ้าราคะโทสะโมหะแก่กล้าขึ้นละปัญหาก็มีมากปัญหาเวรปัญหาภายัย มาอันว่าทำทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ทำทั้งหลายหมายถึงพระนิพพานด้วยหมายถึงมรรคสัจจะด้วยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของสิ่งด้วยที่เรียกว่ารูนนารปธรรมลุนล้วนดินน้ำไฟลมลุน้วนเป็นรูปธรรมลุนล้วน เพราะเกี่ยวกับรูปที่เห็นด้วยตาแต่เมื่อมีอันอื่นมาสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เป็นเรื่องกิเลส ข, ของอันอื่นไม่ใช่กิเลส ข, ของทำส่วนนั่นเพราะทำส่วนนั่นไม่มีวิญญาณดินน้ำไฟลมล้นล้วนไม่มีวิญญาณไม่มีโลคไม่มีโกรธไม่มีหลง <c oughs> แต่สิ่งที่มีวิญญาณคองสิงไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยก็เลยกลายเป็นพิษขึ้นในตัวเองแต่ดินน้ำไฟลมมันได้มีพิษรูปประธรรมนามธรรมาไม่มีพิษ โรคโกดหลงมีพิษต่างหาผลของโรคคืนมาหาใครคืนมาหาโรคผลของโกดก็คืนมาหาโกดผลของหลงก็คืนมาหาหลงมาคืนหาไปอันอื่น จะวิจารณ์โลกวิจารณ์ไปทางไหนก็ถูกแต่อานิจจังก็ถูกแต่ทุกขังก็ถูกแต่อนัตตาส่วนกิเลสจะน้อยมากต่ำสูงก็ขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคล โกรธหลงกับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของสิงกับดินน้มไฟลมอะไรเกิดก่อนกันก็ไม่มีเงินต้นเงินปลายอีกเพราะสังสารวัตเป็นกันมาอย่างนี้ ส่วนผู้พ้นก็พ้นกันไปอยู่อย่างนั้นส่วนผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอยู่ม่ขาดวักขาดตอนของโลกทุกยุคทุกสมัยพลิกกันแต่ว่าน้อยหรือมากเท่านั้น ถ้าสังขารทั้งหลายสมประสงค์แก่สัตว์ทั้งหลายตามความปรารถนาแล้วก็ไม่ต้องการไปพระนิพพานกันเพราะมันสุขเพราะมันเป็นสุขอยู่แล้วก็ไม่ต้องการขว้าหากิเลสเพื่อจะละจะทายจะถอนอีก ที่นี้เมื่อสังขารไม่สมประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายดังความปรารถนาเพราะสังขารทั้งหลายเต็มไปด้วยอาพาธความเกิดขึ้นความแปรปวนความแตกสลายเรียกว่าอาพาธ ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันความลำบากยากแค่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณคองสิง ก็ต้องผูกขาดในทางลำบากเหมือนกันเพราะอาศัยสังขารเป็นสมบัติพัฒสถานของตนเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนให้เบื่อสอนให้หนายสอนให้คลาย ความยึดมั่นถือมั่นในวัฏฏะสงสารสอนในเห็นโทษในความผิดของตนที่เข้าใจผิดให้ถอนคืนมาแก้ตนไม่มีการจะไปแก้สังขารเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นไม่มีหนทางจะแก้เกิดขึ้นแล้วแปลปวดระดับไปใครจะไปแก้ได้ พระบรมศาสตราแก้เอาส่วนตัวขององค์ท่านนะสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีแก้ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปเสียสังขารก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแปรปวนร้ดับไปอยู่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็าตามไม่เกิดขึ้นก็าตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น ที่นี่สังขาร น, นั่นไม่ใช่ผู้ถูกไม่ใช่ผู้ผิดผู้ถูกผู้ผิดก็คือสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองสิงไปยึดไปถือเอามาเป็นเจ้าของเป็นหน้าที่ของเตะละลายของตัวสัตว์จะแก้ตัวเองเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่จะไปแก้สังขาร ที่นี่มาฝืนจะแก้สังขารให้อยู่ตามความประสงค์ของตนที่นี่มันก็ปันน้ามให้เป็นตัวผู้เขาแก่ผู้เขาเก็บผู้เขาตายกิ่งบทสัตว์มาในทิศทั้งสี่ ทิศชั้นสจะว่าทิศแก่ทิศเก็บทิศตายทิศเกิดทิศแก่ทิศเก็บทิศตายก็ถูกหรือจะว่าทิศบังซ้ายบ้ังขวาทิศบ้ังหน้าบังหลังก็ถูก อาปิเสลาวิปุลานะพังอาหัจจะปะปะตาอนุปริยยุงนิปโอเทนตาจตุทิสาดิสาเอวังชาลาจมัดจุจักอะนิวัตตันติปานิโนูคัตติเย ปราโมณีเวเสีเซสัสดเดจันดาและปุกกุเสในกินจิปริวัติเหติภูเขาทั้งหลายกลิ่งบทสัตว์มาในทิศทั้งสีความแก่ความเก็บความตายย่อมภาอบงนสัตว์ชนนั้น ไม่เลือกหน้าอธิวัตตนิปานิหูคัติเตยปรมมเนเวส เ, เป็นกษัตร์ก็ตามเป็นพราหมกก็ตามเป็นคนเทยากเยอก็ตามสัจเดจันดาและปุกุสีณ ก, กินกิปฏิวั ต, เติเศติไม่ได้เว้นสิ่งใดใไว้ ที่นี่ความแก่ความเก็บความตายความมีโยกพัดผ่าความปาฏถนาไม่ได้สมหวังเป็นโจรเป็นมารหรือไม่จะไปตูว่าเปน็นโจรเป็นมารก็ไม่ถูกความหลงของเจ้าตัวแต่ละบุคคลเป็นโจรเป็นมารป้นตนเองต่างหาก ทำให้ตนเข้าใจผิดต่างหากจรงเรานั้นไม่ได้ปล้นใครเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ปฏิญาว่าเราจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้เกิดให้เก่ให้เก็บให้ตายมาโลปาปิมะ ทัพพมาณทั้งหลายก็คือกิเลสมานกิเลสแต่ละท่านละคนเป็นมานชนะกิเลสมานแล้วก็ชนะมานทั้งปวงได้ขันธมานมานคือปัญจขันธกิเลสมานมานคือกิเลสอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารเทวปุตรมานมานคือเทวบุตรมัจจุมานมานคือมัลณะ ถ้าชนะกิเลสมารแล้วมารทั้งอื่นมารอื่นๆก็ชนะไปหมดกิเลสมารเป็นของสำคัญถ้าเราโกฏหลวงในคันธะสันดานของเราแต่ละท่านละคนไม่มีมารก็ไม่มี รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นโมฆะไปบางแห่งพระบรมศาสดาบัญญัติว่าเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละเป็นมารเธอทั้งหลายจงรู้จากมารสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในฝ่ายสังขารสิ่งนั้นก็คือมาร เพื่อชวนให้พิจารณาถ้าเราพิจารณาไปให้ชัดแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่มารความหลงของเราเป็นมารต่างหาความเข้าใจผิดของเราเป็นมารต่างหาเช่นท่านบอกว่าจะขุดเสมิงปินิบินติก็นายตารูปเปสุปินิบินติก็นายรูป จักขวิญญาณีปิณิบินนติกก็นายจักขวิญญาณจักขวสัมผัสเสปิณิบินนติกก็นายจักขวสัมผัสยํมปีดังจักขวสัมผัสสปัจจะยาอุปัชยิตังพาให้เป็นเวทนาสุขทุกุเบกขาก็นาย เมื่อนายก็รุดพ้นเมื่อรุดพ้นก็รู้ว่าตัวรุดพ้นท่านยกเป็นพระสูตรเป็นบุคลาธิฐานที่นี่นายตาจะไม่แลดูอะไรอีกดอกหรือนายหูจะไม่ฟังอะไรอีกดอกหรือนายจมูกจะไม่ดมกลิ่นอะไรดอกหรือ นายลินจะไม่ริมรถอะไรดอกหรือนายกายจะไม่ห่มผ้าดอกหรือจะไม่อาบน้าดอกหรือจะไม่สัมผัสอะไรดอกหรือ ท, ที่อ่อนแข็งมนัสมิงปินิบินนติกายยัตสมิงปินิบินนตินายกาย โหทับเพสุปินิบินติทับเบยวเพศตอผ่านนายทั้งกายด้วยนายทั้งโหทัพพะมากระทบกายด้วยนายทั้งกายวิญญาณด้วย นายทั้งกายสัมผัสด้วยมนัสิมิงปินิบินนตินายใจด้วยมโนวิญญาณีปินิบินนตินายมโนวิญญาณด้วยมโนสัมผัสเสปินิบินนตินายมโนสัมผัสเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทน า, าทุกบ้างทุกบ้างอเบียคขาบ้างธรรมารมทั้งหลาย